ทรงปรารบภิกษุณีทุลละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุละนันธาประพฤติตามภิกษุชื่ออริฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นนายพรานฆ่านกแรง้งที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุกเขปนิยกรรมในปา ร, ราชิกสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเขปะสมุดฐานละ